ผู้ชายคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในไต้หวันเที่ยงวันนึงเนี่ยในลูกค้ากำลังเต็มร้านเลยจู่ๆก็มีพนักงานของร้านเนี่ยนำซองมาให้พอเขาเปิดซองเนี่ยแล้วก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งที่อยู่ในซองนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจประหลาดใจแล้วก็มีน้ําตาซึมๆออกมาเพราะในซองนั้นเนี่ยคือเงินนะ จำนวน 1,000 ม่นบาทถ้าเป็นเงินไต้หวันก็ประมาณ 1,000 0ดอลลาร์และคนที่เป็นเจ้าของเงินนัคือคนที่เขาเคยรู้จักเพราะว่าเคยเป็นลูกค้าประจำของร้านของเขาพนัก ง, งานในร้านเนี่ยซึ่งเป็นคนที่รับซองหรือรับเงินเนี่ยมาจาก ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เราว่าเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมอบซองนี้หรือเงินนี้ให้เพื่อขอบคุณขอบคุณเจ้าของร้านซึ่งก็คือแม่นะของคนที่เล่าเนี่ยขอบคุณทําไมนะก็เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะตอนที่เธอยังเล็กเนี่ยแม่งเธอเสียชีวิตนะ เหลือแต่พ่อฐานะก็ไม่ค่อยดีเพลนร้านนั้นเนี่ยนะมันอยู่ในระแวกเดียวกับที่กับบ้านที่เธออาศัยผัวเจ้าของร้านอาหารเนี่ยทราบว่าครอบครัวของเด็กคุณเนี้ยไม่ค่อยมีเงินก็เลยออกปากชวนนะว่าเนี่ยให้มากินอาหารนะที่ร้านของฉันนะ มาทุกวันเลยไม่ต้องจ่ายเงินและเาจ้าของร้านนี่ก็ไม่ยอมรับเงินนะที่พ่อของเด็กเนี่ยเอามาให้พอรู้ว่าเขาไม่ค่อยมีเงินนั่นเด็กคนนี้เนี่ยก็เลยมากินอาหารที่ร้านนี้เป็นประจำจนกระทั่งพอเรียนพอขึ้นมัธยมปลาย เด็กคนนี้ก็ย้ายไปเรียนที่อื่นแล้วก็เลยไม่ได้มาที่ร้านนี้อีกเลยเนี่ยชายคนนี้แกก็เล่าว่าเนี่ยไม่ได้เจอผู้หญิงคนนี้มาสองปีแล้วป่านนี้คงจะเข้าเหมาเฉลยไปแล้วแล้วจู่ๆเนี่ยก็ได้รับซองนจากผู้หญิงคนนี้เนี่ยแกก็แปลกใจนะว่าโอ้ไม่ได้เจอกันมาสองปีแล้วเนี่ย แล้วก็แปลกใจที่ในนั้นมีซองในนั้นมีเงินแล้วก็พอรู้ว่าเป็นเงินที่เด็กคนนี้เนี่ยเขานะมอบให้เพื่อตอบแทนบุญคุณที่ให้เขากินอาหารที่ร้านเนี่เป็นประจําลูกชายเจ้าของร้านก็เลยซาบซึ้งใจมากแม่ก็เหมือนกันนะแม่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็ซาบซึ้งใจมากนชายคนนี้เนี่ยบอกว่าเนี่ย พอทราบเรื่องราวแล้วก็น้ำตาซึมเลยนะน้าตาซึมที่เด็กคนนี้เนี่ยยังไม่ลืมนะความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อนะที่แม่ของเขาได้มีต่อเด็กคนนี้แล้วก็ซาบซึ้งใจตรงที่ว่าก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะมีงานทำหรือยังนะเพราะว่ากำลังเรียนอยู่ แล้วก็ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนนะกว่าจะเก็บเงินหรือเก็บพรอมรอมเิ็บได้เป็นหมื่นอย่างเงี้ยมามอบให้กับแม่ของเธอแม่ของเขาซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารที่จริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่คนที่เล่านะซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของร้านอาหารที่น้ำตาซึมนะหลายคนที่เล่าอะไรคนที่ได้เรื่องนี้มาก็น้ำตาซึมเหมือนกันนะเพราะว่าทราบซึ่งประทับใจ สาบจึงประทับใจเด็กคนเนี้ยที่ในวัยในช่วงที่ลำบากนะได้รับความช่วยเหลือนะจากเจ้าของร้านก็ไม่ลืมบุญคุณนะแม้ว่าจะหายไปเลยนะสองปีนะแต่ว่าเมื่อมีโอกาสนะก็กลับมา ชายคนนั้นเนี่ยซึงไม่รู้เจ้าของร้านก็เล่าว่าไอ้เที่ยงวันนั้นเนี่ยมันคนเยอะมากเขาก็เขากับแม่ก็วุ่นนะกับการทําอาหารเด็กคนนั้นก็คงจะเกรงใจนะไม่อยากรบกวนเวลาของแม่แล้วก็ของตัวเขาก็เลยฝากซองเนี่ยฝากเงินเนี่ยนะให้กับพนักงานร้านแล้วก็เอามามอบให้กับเจ้าของร้าน ในภายหลังคือรู้สึกสำนึกบุญคุณนะของเจ้าของร้านแต่ก็เกรงใจนะไม่อยากรบกวนเขาเขากําลังวุ่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่นะมีความกระตันอยู่มากนะที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันก็ชวนให้ทราบซึ้งใจตั้งแต่ตอนที่เจ้าของร้านเนี่ยเขามีความเอื้อเฟื้อนะต่อต่อเด็กที่สูญเสียแม่ ไม่มีเงินที่จ ะ, ะกินอาหารก็ชวนมากินฟรีนะแม้ว่าพ่อของเด็กจะพยายามขยันขยอให้เงินค่าอาหารของลูกนะแต่ว่าเจ้าของร้านก็ไม่ยอมรับอันนี้มันก็เป็นความเมตตากรุณาที่ชวนให้ซาบซึ้งใจแล้วนะแต่ว่าที่ชวนให้ซาบซึ้งใจยิ่งกว่า ก, ก็คือการที่ลูก ลูกสาวเนี่ยซึ่งแม้เป็นเด็กนียังเรียนหนังสืออยู่นะแต่ว่าก็สำนึกในบุญคุณแม้จะหายไป2ปีนะแต่ว่าก็ไม่ลืมนะบุญคุณของร้านนี้เรากลับมาตอบแทนซึ่งก็อย่างที่ลูกเจ้าของร้านบอกนะก็ไม่รู้ว่าเก็บเงินนานเท่าไหร่นะไว่ได้เงินมาเป็นหมื่นเงี้ยลูกชายเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าเนี่ยเงินจํานวนนี้เนี่ยนะ เขาก็อยากจะนำไปทาประโยชน์เพราะว่าที่ลานนี่ก็มีเงินพอสมควรแล้วไม่ได้ขาดอะไรก็เอาเงินกอง น, นี้นี่ไปช่วยคนที่ไม่มีอาหารกินไปเป็นทุนเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนก็เรียกว่าเปลี่ยนทานให้เป็นบุญนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพยายามที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เด็กเนี่ยคนนี้ก็คงเหมือนกับหลายคนนะที่เคยได้รับความจุนเจือนะจากผู้อื่นเช่น จ, จากร้านอาหารที่ให้ตัวเองกินอาหารฟรีแล้วก็เมื่อตัวเองพอจะลืมตาอาปาดได้ก็เอาเงินมาช่วยนะมาเพื่อเป็นการตอบแทนแต่บางคนเนี่ยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะเพราะว่าร้านก็ปิดแล้วหรือว่าเจ้าของร้านก็ตายแล้ว ทำยังไงนะก็มีบางคนแนละ้วก็เอาเงินเนี่ยไปฝากให้กับร้านที่ตัวงคุ้นเคยฝากทาไมนะฝากเพื่อให้คนที่ไม่มีกินเนี่ยนะได้กินฟรีโดยอาศัยเงินก้อนนี้แหละที่ตัวงฝากไว้เป็นทุนนะเรียกว่าตอบแทนบุญคุณด้วยการช่วยเหลือผื่นต่อไปนะอันนี้ก็เป็นวิธีการทําความดีเป็นวิธีการตอบแทนที่ก็มีคนนิยมทํากันนะ ตอบแทนบุญคุณด้วยการนะช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนหรือเคยประสบชะตากรรมเดียวกับตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีร้านนะมีร้านในเมืองไทยรนะ้านปันกันอิ่มเนี่ยรับรับฝากเงินนะที่คนพอจะมีกินมีใช้เนี่ยฝากเอาไว้อาจจะเป็นลูกค้าในร้านรับฝากเงินเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยนะ ให้กับคนที่เขายากจนนะไม่มีกินก็มากินฟรีนะนะเรียกว่าปันกันอิ่มนะเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่เยอะนะมีเป็นร้อยนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็นี่ก็มีแอปนะนั่นใครที่อยากจะตอบแทน บ, บุญคุณของคนที่เคยช่วยเราแล้วมุ่งจะตอบแทนเขายังไงเพราะเขาจากไปแล้วเนี่ยก็ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะฝากเงินไว้ให้กับร้านที่ตัวองคุณเคยไว้ใจว่าเนี่ยถ้าใครไม่มีกินนะก็มากินที่ร้านนี้ได้ฟรีฟร ตามจำนวนมือ้อหรือตามจํานวนเงินที่ตัวเงมอบให้นะหรือว่ามันก็เป็นวิธีในการที่เราจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะั้นเราก็ฝากร้านไว้เพราะร้านเนี่ยก็คงจะรู้นะว่ามีใครที่ลําบากนะก็มากินฟรีได้อ น, นี้ก็เป็นเรื่องที่น่านุโมทนาแล้วก็ควรส่งเสริมนะให้ทํากันเยอะๆนะมันจะได้ทําให้คนเนี่ยนะรู้สึกนะมีความซาบซึ้งใจใน ความเอื้อเฟื้อของผู้คนนะไม่รู้สึกว่าชีวิตมันอับโชคหรือว่าเลวร้วายจนเกินไปเพราะอย่างนั้นก็มีคนที่มีความเอื้อเฟือ้อมีน้ำใจนะที่อยากช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน